เราต้องขอแนะนำตัวก่อนเราชื่ออ้ำเป็นคนกรุงเทพแต่ด้วยความเป็นเด็กมหาลัยและเป็นคนชอบเที่ยวมากจึงไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆคนเดียวเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งเราได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ตอนแรกระวังแผนว่าจะไปที่นั่นสองคืน3วันจึงติดต่อกับเพื่อนชื่อแป้งไว้คือแป้งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมแต่มาเรียนต่อที่เชียงใหม่ซึ่งเรากับแป้งสนิทกันมากเลยขอไปอยู่ด้วยกันเลย เรามาถึงเชียงใหม่ตอนบ่ายๆจึงของให้แป้งมารับที่สถานีรถไฟจากนั้นแป้งก็ชวนเราไปนั่งจิบกาแฟชิลๆแถวหน้ามอคุยเรื่อยเปื่อยถามเกี่ยวกับสาระทุกสุขดิบตามภาษาคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายปีแป้งเล่า ว, ว่าตอนนี้พักอยู่กับลุงเมธ ช, ชื่อมดมดเป็นคนเชียงใหม่เรียนคณะเดียวกันแต่ช่วงนี้นางมีปัญหากับแฟนทะเลาะ ก, กับแฟนเป็นประจำตกเย็นหลังจากที่เราทานหมูกระทากับแป้งเสร็จด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจึงโทรถามมด ว่าตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรคําตอบที่ได้คืออยู่ที่ห้องเหมือนเดิมฝากซื้อข้าวกับยาพารามาด้วยและกันเรากับแป้งก็เลยไปซื้อข้าวซื้อยาพาราระหว่างทางแป้งบอกกับเราว่าเวลานางทะเลาะ ก, กับแฟนเป็นแบบนี้นางจะชอบนอนซมอยู่ที่ห้องแต่อย่าไปกังวลเลยสักพักมันก็ดีกันเองเมื่อเรากับแป้งมาถึงห้องก็เห็นมดนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนเตียงจากนั้นแป้งก็แนะนําเราให้กับมดว่าคืนนี้จะมานอนด้วยซึ่งมดก็ไม่มีปัญหาแป้งก็จัดเตรียมที่นอนให้เรา ในห้องของแป้งถือว่าไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พออยู่ได้ในห้องก็จะมีเตียงใหญ่ๆหนึ่งเตียงตู้เสื้อผ้าและโต๊ะแป้งข้างนอกเป็นระเบียงประตูกระจกกั้นไว้ซึ่งบอกก่อนว่าระเบียงข้างนอกห้องสวยมากเห็นวิวดอยสุเทพชัดเจ๋วเลยถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวถัดจากประตูกระจก ก็จะเป็นห้องน้ำโดยรวมถือว่าน่าอยู่เลยทีเดียวเราก็รีบอาบน้ำอะไรเสร็จสับเพราะความเหนื่อยจากการเดินทางจึงทำให้เราง่วงมากเรานอนพอดีกับกระจกประตูบานเลื่อนของระเบียงห้องซึ่งไม่ได้ปิด้าม่านเอาไว้แล้วก็เอามือถือตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีหเพราะเราวางแลนว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวดอยสุเทพในตอนเช้าเมื่อนาฬิกาปลุกดังขึ้นในตอนตีหด้วยความงัวงเงียในตอนเช้าเราก็ลืมตาขึ้นมามองไปที่ระเบียงในจังหวะนั้นเองเราเห็นเหมือนมีใครโดดลงมาห้องของแป้งซึ่งอยู่ชั้น3าซึ่งห้องพักมีทั้งหมด5ชั้นด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งออกไปที่นอกระเบียงกลัวว่าจะมีคนกระโดดตึกแต่กลับไม่พบอะไรเลยในใจก็คิดว่าคงตาฝาดหลังจากเราอาบน้ําเสร็จเราก็ปลุกแป้งให้ไปอาบน้ํา พื่อจะได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นทันหลังจากที่เรากับแป้งเตรียมตัวกันแล้วเราก็รีบออกจากห้องโดยทันทีทิ้งให้มดอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้กับแป้งไปดูพระอาทิตย์เสด็สายๆวิเที่ยวสวนสัตว์ต่อแล้วตอนบ่ายก็เข้ามาเที่ยวในมหาลัยจนตอนเย็นเรากับแป้งก็เลยตกลงกันว่าจะไปเที่ยวผับกันจึงต้องไปที่ห้องของแป้งเพื่อไปอาบน้าเปลี่ยนชุดสําหรับการไปเที่ยวคืนนี้เมื่อมาถึงห้องก็พบว่ามดยังนอนส้งอยู่ที่ห้องนอนเล่นมือถืออยู่ ตอนนั้นแปงเข้าไปอาบน้ําก่อนระหว่างนั้นมดก็บอกกับเราว่าเราเครียดทําไมชีวิตเราต้องมาเจอคนหิงโซอย่างนี้ด้วยจากนั้นมดก็ร้องให้หัวออกมาเราก็ได้เต็มปลอบใจเพราะเรารู้เพียงว่ามดมีปัญหาเรื่องทะเลาะกับแฟนเอาหน้าชีวิตมีขึ้นลงธรรมดาใครมันจะไปเจอกับเรื่องร้ายๆได้ตลอดเราพยายามบอกให้มดอดทนเข้าไว้หลังจากที่อาบน้ําแต่งตัวกันเสร็จแล้วก็เดินทางไปที่ผับแห่งหนึ่งในเชียงใหม่เที่ยวนจนจมลำานตีหนึ่งกว่าเราก็แป้งได้กลับมาที่ห้อง พบว่าห้องถูกล็อกกรอนจากด้านในจึงเปิดเข้าห้องไปไม่ได้แป้งจึงเคาะประตูหลายทีได้ยินเสียงเพียงแค่เก้าอี้อยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนมีคนลุกแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูให้แป้งจึงโทรหาหมดด้วยความเป็นห่วงเสียงโทรศัพท์ของมดดังขึ้นในห้องแต่ไม่มีคนรับสายแป้งจึงตะโกนเรียกมดและเคาะประตูเสียงดังมากจนข้างห้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นภายในห้องมีเสียงของตกลงมาเสียงประตูห้องน้ำเปิดปิดเสียงปตูกระจกบานเลื่อนหลังห้องถูกเลื่อนไปมา แป้งจึงบอกให้เราไปตามยามที่ข้างล่างให้หน่อยส่วนตัวแป้งเองจะยืนปีนระเบียงจากห้องข้างๆเพื่อเข้าไปในห้องของตัวเองเราก็รีบวิ่งไปตามยามที่ด้านล่างจนมาเจอยามแล้วเราก็อธิบายว่าเพื่อนเราอยู่ในห้องไม่ยอมเปิดประตูแล้วกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นขอให้ช่วยขึ้นไปดูให้หน่อยในขณะที่กําลังเดินขึ้นไปตรงบันไดชั้นที่1เราก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลังอา้อาวอ้ํกลับมาแล้วเหรอแป้งอยู่ไหนล่ะเราหันกลับไปดูพบว่ามดอยู่ด้านหลังมดไม่ได้อยู่ห้องเหรอเราถามด้วยความสงสงัยเป่านี เมื่อกี้แฟนเรามาหาตอนนี้เราดีกันแล้วเราเลยออกไปหาอะไรกินกับแฟนข้างนอกเพิ่งกลับมาเนี่ยแต่ดันลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ในห้องหรือไม่ได้บอกไว้ก่อนอ้าวแล้วใครอยู่ในห้องตอนนั้นเราวิ่งตาตื่นขึ้นไปที่ห้องเพราะว่าประตูถูกเปิดออกแต่แป้งนั้นไม่อยู่ที่ห้องเราจึงได้ไปเคาะห้องข้างๆที่แป้งขอเข้าไปเพื่อปีนเข้าไปห้องตัวเองจากนั้นห้องข้างๆก็ เ, เปิดประตูและพบว่าปแป้งมีอาการตัวสั่นและห ว, วาดผวาเรากระมดถามว่า เกิดอะไรขึ้นแป้งได้แต่พูดว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วขอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมกลัวพร้อมกับร้องไห้ออกมาเพื่อนข้างห้องได้บอกกับเราว่าเมื่อกี้ตอนที่เพื่อนของเรากําลังปีนข้ามห้องไปตอนนั้นเขาเข้าช่วยจับเพื่อนเราไว้กลัวว่าเพื่อนมันจะตกลงมาตอนที่เพื่อนของเรากําลังชะเงื้อหน้าข้ามกําแพงไปในห้องของตัวเองตอนนั้นเพื่อนเหมือนมีอาการตกใจอะไรสักอย่างกลับเข้ามาที่ห้องนี้ทันทีถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมตอบเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน สุดท้ายมดจึงบอกว่างั้นไป น, นอนที่หอแฟนของมดก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยเข้ามาใหม่รอให้แป้งมีสติก่อนแล้วค่อยถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นจนเช้าของอีกวันหนึ่งที่หอของแฟนมดแป้งก็ยอมเล่าว่าเมื่อคืนเจออะไรตอนนั้นก็เป็นห่วงมดมากกว่าว่าจะทำอะไรง่ๆก็เลยขอคนที่อยู่ข้างห้องจับตัวประครองข้ามกาแพง แต่ตอนที่เอาหัวเจ้าโง่เข้าไปดูที่ห้องในห้องมีเพียงไฟจากโต๊ะแป้งสลัวสลัวเปิดไว้ตรงกลางห้องเจอคนยืนอยู่นึกในใจว่าไม่ใช่มดแน่ๆเป็นผู้หญิงตัวสูงผมยาว ใส่เสื้อสีขาวที่เห็นคือเขาหันหน้าเข้าไปในโต๊ะเครื่องแป้งจากนั้นเขาหันหน้ามาหาเราจังหวะนั้นเราสติแตกไปเลยเรายังจำใบหน้านั้นได้ดีรอยยิ้มฉีกกว้างปากสีแดงในตามีแค่สีขาวเราไม่อยากกลับไปหอนี้อีกแล้วเรากลัวหลังจากวันนั้นเรากลับมากรุงเทพเราติดต่อไปหาแป้งแป้งบอกว่าแป้งกับมดได้ย้ายออกจากหอตั้งแต่วันนั้นเลยโดยที่แป้งให้เหตุผลว่า เมื่อนึกถึงหน้าผู้หญิงที่ตัวเองเจอในห้องคืนนั้นทำให้ไม่อยากอยู่ห้องพักนี้ต่อไปอีกเลย